สวัสดีนะคะพี่น้องในพระคริสต์ทุกคนนะคะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการที่ได้มานมัสการพระเจ้าร่วมกันกับพี่น้องในบ่ายวันนี้นะคะหลังจาก9เดือนที่แล้วที่มายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มอบตัวเองไว้กับคำอธิษฐานของพี่น้องทุกคนนะคะว่าจะไปเรียนต่อที่ค อ, อ, อร์สระยะสั้นเอกสัมพันธ์นะคะที่สถาบันเอกสัมพันธ์บอเซสวิสเซอร์แลนด์นะคะขอบพระคุณพระเจ้าเป็นพิเศษ สำหรับการที่ได้กลับมานะคะแล้วก็ได้ร่วมงานร่วมรับใช้กับพระเจ้าร่วมรับใช้พระเจ้าในทีมศิทธยาพิบาลที่คิดจากวัฒนาแห่งนี้นะคะ mm hmm. ก็เริ่มงานดิฉันเริ่มงานเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ่ะ mm hmm. เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเข้าสู่ธรรมและสําหรับวันนี้เราก็อยู่ในการเดินทางมาถึงวันที่5ของในเทศกาลเข้าสู่ธรรม ซึ่งมีเวลารวม40วันเริ่มตั้งแต่วันพุธรับเท่าที่ผ่านมาเมื่อพุธที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจนถึงวันก่อนอีสเตอร์โดยไม่รับวันอาทิตย์นะคะการเข้าสู่ธามนเทศกาลที่คริสตชนเตรียมใจก่อนวันอีสเตอร์นะคะเป็นเวลาที่เราจะสำรวจจิตใจแล้วก็สำรวจชีวิตรวมถึงวินัยฝ่ายวิญญาณบางคนก็จัดเวลาอดอาหาร เพื่อใช้เวลาที่เราเสียไปกับการใช้เวลากับอาหารนั้นในการไคร่ครวนพาวจนะอธิษฐานพูดคุยกับพระเจ้านะคะสํารวจตัวเองเออสารภาพความบาปผิดแล้วก็พยายามไม่หันกลับไปทําผิดอย่างนั้นอีกนะคะบางคนก็ใช้เวลาช่วงนี้ถืออดอาหารที่ตัวเองชอบนะคะหรืองดกิจกรรมที่ตัวเองชอบหรือกิจกรรมที่ตัวเองขาดไม่ได้เช่นการติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆหรือ จกรมอื่นๆนะคะทางนี้ก็เพื่อเป็นการร่วมตอบสนองต่อการที่พระเยซูได้ทนทุกทรมานรับความเจ็บปวดแล้วก็ทรงยอมให้ประชาชนคนยิวตรึงพระองค์ลงบนไม้กางเขนเพื่อจะให้งานไถ่โทษบาปมนุษย์ของพระเจ้าสำเร็จนะคะดังนั้นบ่ายวันนี้พระวจนะพระเจ้าที่จะผ่านผู้รับใช้พระองค์มาถึงพี่น้องก็จะอยู่ในหัวข้อสำรวจตัวเองในเรื่องของข่าวประเสริฐนะคะเราเน้นไปที่ข่าวประเสริฐอาจจะดูเป็นเรื่องง่าย แต่ว่านับเป็นเรื่องสําคัญหรือเป็นหัวใจของเทศกาลนี้นะคะขอพี่น้องร่วมใจสํารวมจิตใจอธิษฐานข อ, อการทรงนำจากพระเจ้าร่วมกันก่อนนะคะสาธุการแด่พระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ผู้ทรงอํานาจแต่เพียงผู้เดียวเหนือโลกเหนือฟ้าสวรรค์และเหนือจักรวาลพระเจ้าผู้เป็นที่รักพระองค์ผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยความรักพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณ ขอพระองค์ทรงชำระจิตใจและจิตวิญญาณของเราให้บริสุทธิ์อย่างน้อยในช่วงขณะหนึ่งที่พวกเราเข้าเฝ้าและนมัสการองค์ผู้บริบรสุทธิ์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ทรงนำให้ถ้อยคําแห่งพระวจนะสัมผัสใจของพี่น้องตามน้ําพระทัยของพระองค์ให้พระวจนะในวันนี้ได้ทํางานในจิตใจของพี่น้องทุกๆคนต่างๆกันไป เพื่อเราจะได้สำรวจตัวเองและมีกำลังที่มาจากพระองค์ในการร่วมทนทุกข์และเข้าใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราแต่ละคนเพิ่มภูนยิ่งยิ่งขึ้นไปและมีชีวิตที่พระองค์ทรงพอพระทัยกราบทูลขอการทรงสถิตและการทรงนาที่มาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เชื่อได้ว่าถึงตอนนี้ทุกคนเราตระหนักรู้แล้วว่าเรากําลังอยู่ในเทศกาลเข้าสู่ธรรมคือเรากําลังเข้าส่วนในการระลึกถึงความทุทุกขของพระองค์ที่ใช้ชีวิตอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนอย่างทรมารและได้รับการหยุดดูถูกเหยียดยามเพื่อที่จะไถ่ความผิดบาปของเราพูดภาษาง่ายๆว่าพระองค์ตายอย่างมีเงื่อนไขไม่ธรรมดานะคะพระองค์ไม่ได้นอนหลับสบายตายจากไปแล้วไถ่าบาปมนุษย์ได้ แลวเพราะอะไรพระองค์ถึงต้องสละพระชนเช่นนั้นเพื่อไถ่บาปบาปตรงนี้คืออะไรนะคะและเมื่อพระองค์ทรงไถ่บาปเราแล้วเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คริสเตียนทุกคนรู้ดีแต่เราเคยสำรวจตัวเองหรือถามตัวเองกันบ้างไหมคะว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนปกติอย่างเงี้ยที่เราไม่ได้มีภาระใจในการเป็นนักประกาศหรือว่า ที่ณประกาศประเภทที่ยึดเอาข่าวประเสริฐเป็นไฮไลท์หรือเป็นอำนาจสูงสุดในการประกาศแล้วเนี่ยสมมุติว่าเรานั่งอยู่หรือยืนอยู่หรือทําอะไรอยู่เนี่ยแล้วมีคนมาสกิดถามว่าทําไมพระเยซูต้องมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและทําไมต้องไถ่าบาปบาปยังไงทําไมถึงเรียกว่าบาปฉันพยายามทําดีจะตายทําไมต้องเชื่อว่ามนุษย์เป็นคนบาปนะคะถ้าเจอคําถามเหล่านี้เราเคย ถามตัวเองั้ยคะว่าเราจะตอบคำถามได้ทันทีโดยไม่ต้องหยุดคิดไหมนะคะหากสารวจตัวเองอย่างสัตย์ซื่อแล้วนะคะดิฉันเองก็สารวจว่าถ้าถามปุ๊บเราจะตอบทันทีได้ไหมก็ปรากฏว่าเราพบว่าแทบจะทุกคนต้องหยุดคิดนะคะเพื่อเรียบเรียงคำตอบ ดังนั้นวันนี้เราได้โอกาสที่จะทบทวนตัวเองสารวจตัวเองในเทศกาลเข้าส่วนกันคนทุกกับพระองค์แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะเรียบเรียงคำตอบจัดระเบียบคำตอบที่สำคัญเหล่านี้ไปพร้อมๆกันนะคะคำถามที่เราจะเจอก็มีอยู่4คํคำถามหลักนะคะขอขอสไลด์คำถามแรกนะค ะ, ะถัดไปอีกสองสไลด์ค่ะ คำถามแรกก็คือเพราะไรหรือทําไมพระ อ, องค์ถึงต้องสละพระชนเช่นนั้นคืออย่างทรมานบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเรานะคะคำตอบก็คือพระเจ้าทรงรักมนุษย์และพระ อ, องค์ทรงมีแผนการอันประเสริฐยิ่งนะคะรักมนุษย์และมีแผนการอันประเสริฐสําหรับชีวิตมนุษย์ในพระธรรมยอห์นบทที่16บอกไว้ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตอิรันนะคะบอกไว้ชัดเจนนะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกนะคะพระองค์ทรงทำเช่นนั้นนะคะและในยอห์นบทที่10ข้อ10ยังบอกอีกว่าพระเยซูคริสต์ตรัสว่าเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้ครบบริบูรณ์นะคะส่วนเพิ่มเติมในเรื่องนี้ก็คือพระเจ้านอกจากจะสละพระเยซูสละพระชนเพื่อไถ่าบาปเราแล้วเนี่ย พระเจ้าทรงประทานความรอดหรือชีวิตชีวินิรันน์นี้ให้กับมนุษย์ด้วยความรักและด้วยพระคุณของพระองค์ล้วนๆนะคะทําไมถึงเรียกว่าเพราะความรักและเพราะพระคุณในพระคัมภีร์ก็บอกว่าเพราะพระเจ้ารักโรคนะคะและพระองค์มาเพื่อให้นะคะพระองค์ไม่ได้มีเงื่อนไขไม่ได้มีเงื่อนไขว่ามนุษย์จะต้องพยายามทําอะไรเพื่อให้ได้ความรอดเราได้รับการไถ่บาปทั้งๆที่เราทุกคนไม่สมควรจะได้รับใช่ไหมคะ คำถามที่สองที่เราจะเจอก็คือ บ, า, บาปตรงเนี้คืออะไรนะคะถ้าเปรียบเทียบความบาปเป็นจุดดําถึงแม้ว่าจุดดํานั้นจะเล็กแค่ไหนนะคะจุดดํานั้นยังมีอยู่ไหมคะมีอยู่ใช่ไหมคะความบาปที่พระองค์ทรงไถ่ายให้เราถึงแม้ว่าไม่ได้วัดตวงด้วยปริมาณความบาปก็คือความบาปจุดดําก็คือจุดดําเมื่อเกิดขึ้นเล็กแค่ไหนก็เรียกว่าจุดดํานั้นยังคงอยู่และความบาปในที่นี้คืออะไรนะคะ ในพระธรรมโรมบทที่สาข้อยีสากล่าวไว้ว่านะคะเพราะว่าทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระศิริของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสร้างทรงสร้างมนุษย์ให้มีความสามัคคีธรรมกับพระองค์นะคะให้มีชีวิตผูกพันแน่นสนิทกับพระองค์แต่เพราะความดื้อด้านตามใจปรารถนาของตนเองนะคะมนุษย์จึงเลือกดําเนินชีวิตอย่างอิสระซึ่ง การดำเนินชีวิตอย่างอิสระเนี่ยแสดงออกโดยการปฏิเสธที่จะเชื่อฟังพระเจ้านะคะและเฉยเมยต่อพระองค์ไม่รู้จักพระองค์นมัสการพระอื่นๆให้ความสําคัญคันกับสิ่งอื่นๆเช่นการหาเงินการหาความสุขในรูปแบบต่างๆการแสวงหาความรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะการทําทุกอย่างเนี่ยทำโดยที่ให้ความสําคัญ มากกว่าการมีความสัมพันธ์พูดคุยกับพระเจ้านะคะหรือว่าหรือจะเป็นอีกประเภทหนึ่งก็คือมนุษย์ส่วนหนึ่งที่ทั้งนมามสการทั้งพระเจ้าแล้วก็ให้ความสำคัญกับพระอื่นๆหรือสิ่งอื่นๆโดยพระเจ้าไม่ได้เป็นหนึ่งในชีวิตนะคะที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราไม่มีความสุขไม่ได้พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราไม่หาความรู้ความบันเทิงหรือความชื่นชมยินดีนะคะ เปล่าเลยนะคะในทางตรงข้ามเนี่ยพระเจ้าปรารถนาให้เรามีทุกสิ่งเหล่านี้โดยมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราพระองค์ต้องการช่วยเรานะคะช่วยนำเราปกป้องเราแล้วก็นำสิ่งที่ดีกว่ามอบให้แก่เรานะคะเพราะพระปัญญาของพระองค์ยิ่งใหญ่และไม่จำกัดมากกว่าเรามากนักนะคะมนุษย์มีความจำกัดในทุกเรื่อง พระเจ้าสร้างเรามาพระองค์ทรงรู้จักเรานะคะพระองค์เหมือนพ่อที่รักเรามากแล้วก็เป็นพ่อที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งด้วยนะคะและคำตอบของบาปที่พระองค์ทรงถ่ายก็คือบาปที่เกิดจากการดำเนินชีวิตอย่างอิสระดังที่กล่าวมานี่แหละที่พระคริยธรรมคำพีเรียกว่าบาปมนุษย์ทุกคนจึงเป็นคนบาปนะคะทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของจากพระเจ้านะคะ พระคัมภีก็บอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่6ข้อยีสาว่าอีกว่านะคะเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายดังนั้นผู้นี้มีบาปทุกคนก็ต้องตายนะคะมนุษย์ทุกคนมีบาปมนุษย์ทุกคนก็ต้องตายการตายก็คือความตายฝ่ายจิตวิญ ญ, ญาณเพราะการถูกตัดขาดจากพระเจ้านะคะพระเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์และมนุษย์เป็นคนบาปนะคะ จึงเสมือนมีหูเหวช่องว่างกว้างใหญ่ขวางกั้นเราระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะคะมนุษย์สแสวงหาวิธีทางที่จะข้ามหบเหวเนี้ยอยู่ตลอดมานะคะเพื่อไปสู่พระเจ้าและรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์การแสวงหาวิธีนี้ถูกฝังชีว้ในมนุษย์ทั่วทุกชาติพันธ์มานะคะแต่มาผิดทางเพราะล้วนแต่อาศัยสติปัญญาความสามารถของตนเองนะค ะ, ะ, คะเช่นบำเพ็ญตนเป็นคนดีมีศีลธรรม แล้วก็ยึดถือหลักปรัชญาต่างๆแต่พระเจ้าบอกเราว่าไม่ใช่นะคะเพราะพระองค์เป็นทางเดียวแลวพระองค์ไถ่บาปเราอย่างไรก็คือปัญหาที่สามที่เราจะเจอนะคะพระเยซูผู้ไม่มีบาปผู้เป็นพระเจ้านะคะได้แบกรับเอาความบาปผิดบาปทั้งหมดของมนุษย์โดยการยอมตายอย่างมีเงื่อนไขนั้นบนไม้กางเขนความบาปของมนุษย์จึงได้ถูกชาระแล้วที่บนไม้กางเขนนั้นนะคะ ในการนี้พระ อ, องค์ทําอะไรบ้างพระ อ, องค์อองทำกับเราทำให้เรา3าประการก็คือพระ อ, องค์ทรงยอมตายแทนเรานะคะในพระธรรมโรมบทที่หข้อ8บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสําแดงความรักของพระ อ, องค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเรานะคะนอกจากพระ อ, องค์ยอมยอมตายแทนเราแล้วเนี่ยพระ อ, องค์ทรงคืนพระชนนะคะในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่สิบห้าข้อสาถึง6นะคะ ส่วนหบอกว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนเพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และถูกฝังไว้และวันที่3พระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่นะคะและพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นทางเดียวเท่านั้นนะคะพระเยซูตัดกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราในยอห์นบทที่14บข้อหนะคะดังนั้นในคําตอบข้อนี้พระองค์ไถ่บาปเราอย่างไร พระเจ้าพระเยซูคริสต์เนี่ยส่งเชื่อมหุบเหวที่ขวางกั้นระหว่างพระองค์กับมนุษย์โดยการส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ให้ลงมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนแทนเรานะคะแล้วข้อสี่ก็คือพระองค์ทรงไถ่บาปเราเพื่ออะไรนะคะยอห์นบทที่สามข้อ16กล่าวไว้ว่าเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนรันนะคะ แล้ยอมบทที่17ข้อสาก็บอกว่าและนี่แหละคือชีวิตนิรันต์ชีวิตนิรันต์คือชีวิตที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าทแท้องค์เดียวเรารู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้เราทรงใช้มานะคะชีวิตนิรันต์เป็นชีวิตที่ผูกใกล้ชิดผูกพันกับพระเจ้าที่ไม่มีวันสิ้นสุดชีวิตที่มีสันติสุขแท้ท่ามกลางทุกโศกและมีปัญหาในปัจจุบันนะคะชีวิตนิรันต์เริ่มต้นตั้งแต่ผู้เชื่อกลับใจนะคะ เมื่อเมื่อมาถึงตอนนี้เนี่ยเมื่อเราดำเนินชีวิตในช่วงเทศกาลเข้าสู่ธรรมนะคะซึ่งมีการประวารณาตัวเป็นพิเศษเป็นความตั้งใจของเราที่จะจัดสรรเวลาเฝ้าเดี่ยวอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานอดอาหารงดกิจกรรมที่คุ้นเคยและเข้าส่วนในพระมหาธรรมานของพระเยซูคริสต์นะคะเพื่อที่เราจะมีชีวิตเข้าใกล้พระองค์มากขึ้น วันนี้พระวนจะนะที่มาถึงเราเพื่อให้เราได้สมรุจตัวเองทบทวนว่าเรื่องราวแห่งข่าวประเสริฐที่เราได้ยินจนเคยชินนั้นหากมีใครมาถามเราเราจะตอบคําถามได้ทันทีอย่างฉะฉานหรือไม่เราทบทวนตัวเองสำรุจตัวเองในเรื่องนี้เพื่อตัวเองจะเข้าใจถึงน้ําพระทัยพระองค์มากขึ้นนะคะแล้วก็ตอบผู้คนได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็สามารถเผยแผ่ข่าวประเสริฐได้ตลอดเวลานะคะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะคําถามที่เราใช้ทบทวนมี4คําถามหลกัหลกๆก็คือหนึ่งทาไมพระองค์ จึงต้องสละพระชนเพื่อไถยบาปคาตอบก็คือพระเจ้าทรงรักมนุษย์และทรงมีแผนการอันประเสริฐสําหรับชีวิตมนุษย์นะคะแล้วพระองค์ก็ประทานความรอดและชีวิตนิรันด์เนี่ยให้กับมนุษย์โดยความรักและพระคุณนะคะส่วนบาปตรงนี้คืออะไรก็คือมนุษย์เลือกดําเนินชีวิตอย่างอิสระจนหลงลืมพระเจ้าแล้วก็ไม่ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตนะคะมนุษย์ทุกคนจึงเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระศิลิของพระเจ้า พระองค์ไถ่บาปเราอย่างไรนะคะพระเยซูผู้เป็นพระเจ้าผู้ที่ไม่บาปไม่มีบาปนะคะได้สลับพระชนตามแผนการไถ่บาปของพระเจ้าแล้วก็ยอมตายแทนเราและพระองค์ทรงคืนพระชนที่สําคัญพระเยซูทรงเป็นทางเดียวเท่านั้นนะคะและข้อสี่ก็คือพระองค์ทรงไถ่บาปเราเพื่ออะไรก็เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศและมีชีวินิรันต์นะคะขอให้เราได้สํารวจชีวิต ในเรื่องข่าวประเสริฐนี้ให้กับตัวเองนะคะเพื่อที่เราจะได้เติบโตในพระคิดมากขึ้นนะคะขอความรักและสันติสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้าท่วมท้นอยู่ท่ามกลางพี่น้องผู้เชื่อทั้งหลายในห้องประชุมนี้นะคะกราบทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน